สภาพวันที่เจ็ดเสิงหาผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นคนที่จะยุบพรรคการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนคือประชาชนเริ่มต้นประชาชนต้องยุบถามหน่อยตัวนี้กิจสังคมไปไหนครับถามหน่อยสังคมนิยมแห่งประเทศไทยไปไหนครับแนวร่วมสังคมนิยมไปไหนครับกิจประชาคมเยอะแยะหายไปเลยครับเพราะประชาชนเขาไม่เลือก นั่นคือตุลาการผู้ว่าทาธิหญยที่สุดในโลกเพราะฉันเลิกเสถียการยุบพักการเมืองโดยคำวินิจฉัยของใครบางคนไม่ได้มีโอกาสไปศาลเลยมินิทีเดียวคำให้การก็ไม่เลยยื่นไม่ได้ถามว่าผมผิดผมอยู่ตรงไหนยุบซะแล้วขอโวยพรให้พุทธิเจดของท่านจงชนะนะครับด้วยความจริงใจพักการเมืองพยายามจะเสนอกฎหมาย กลับมาบอกว่านี่คือการล้มล้างการปกครองผมฐานประธานทิ่หนึ่งฮะถ้าไม่ให้พวกผมทําการเสนอแก้ไขก้อไหยท่านประธานจะให้พวกผมไปทําอะไรให้ไปนั่งจับป้าหมอคางดําเหรอฮะมันก็ไม่ใช่ธ่าระธานวันนี้ก็ช่วยกันจับเยอะแล้วผมถึงกําลังบอกว่าวันนี้อีกไม่นานนี้ผมถึงปากไปถึงผู้มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญเราต้องการเพียงแค่ห้าเสียงถ้าท่านฟังอยู่ ผมฝากแบบนี้เธอครับว่าการที่ท่านจะตัดสินในวันที่เจ็ดนี้ท่านอาจจะยุตยานพหนะได้แต่ท่านไม่มีทางยุคอุดมการณ์ได้แน่นอนวันนี้ผมคิดว่าการอภิปรายของเราถึงหูกรตถึงหูหน่วยงานหลายหน่วยงานแต่ประเด็นคือท่านจะหน้าด้านฟังหรือเปล่าหรือเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าผมฝากไปถึงข้าราชาการมืออาชีพครับที่อยู่ในแต่ละองกรอรว่าท่านโปรดแสดงความเป็นมืออาชีพของท่าน 4.5 คือรายงานผลการศึกษาเรื่องข้อเสนอการในการส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนซึ่งกณรนิติการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน <c oughs> พิจารณาเสร็จแล้วตามระเบียบวาระที่ 4.5 ครับต่อไปขอเชิญประธานคณะอนุกรรมการครับคณะกรรมการครับเชิญครับ เปลียนประธานสภาที่เคารับขับกับผมพฤติวัชรศิลปผู้แทนรัศดรเชลยชื่อพักก้าวไกลครับในฐานะประธานคณะกรรมการพนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรท่านประธครับก็ขออนุญาตใช้เวลาในสภาแห่งนี้นะครับเพื่ออภิปรายนําเสนอนะครับรายงานผลการศึกษาของกรรมการพนาการเมืองเรื่องของการส่งเสริมให้สถาบันพักการเมืองนั้นมีความยึดโยงกับประชาชนข้อเสนอที่สองท่านประธานคือเราเสนอให้มีการทบทวนเงื่อนไขเกี่ยวกับการยุบพักการเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่สอดรับกับหลักการว่าพักนั้นใหญ่กว่าคนและให้เป็นมาตรการสุดท้ายสําหรับเฉพาะกรณีร้ายแรงเท่านั้นไม่ได้เป็นมาตรการที่ใช้ในการกันแกล้งกันทางการเมืองยกตัวอย่างให้เห็นชัดครับหากมีการทุจริตหรือว่าการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพักทางเราเสนอให้เปลี่ยนจากการลงโทษด้วยการยุบพักมาเป็นการลงโทษคณะกรรมการบริหารรายบุคคลหรือว่าลายคณะหรือหากมีข้อกล่าวหา เกี่ยวกับเรื่องการล้มล้างการปกครองครับเราเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องการยุบพักเฉพาะในกรณีที่พักการเมืองนั้นกระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นการกระทําผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองส่วนข้อเสนอที่3รสามคือเราเสนอให้มีการยกเลิกการมีอยู่ของบทลงโทษเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งเรามองว่าควรเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าโชคชะตากําลังเล่นตลกกับเราหรือไม่ที่ทําให้รายงานฉบับนี้ครับที่มีข้อสเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขพรบรพรรคการเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเงื่อนไขของการยุบ พ, พักเข้าสู่การพิจารณาในสภาแห่งนี้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับก่อนที่พักต้นสังกัดของผมนั้นจะถูกตัดสินในคดียุบ พ, พ, พักซึ่งแน่นอนเป็นการ อาศัยอำนาจตามพรตพรกักการเมืองฉบับปัจจุบันผมเลยหวังัข้พาพตว่าการที่ข้อเสนอในวันนี้ไม่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเชิงกฎหมายได้ทันคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพักก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ก็ะจะทําให้ทุกท่านครับสบายใจและก็ไว้วางใจว่าข้อเสในอในรายงานฉบับนี้ไม่ได้ถูกเสนอเพื่อผลประโยชน์ของพักใดพักหนึ่งแต่ถูกเสนอเพื่อพยายามจะยืนยันหลักการที่เราคิดว่าถูกต้องและเพื่อยกระดับสุขภาพของประชาธิปไตย ในประเทศไทยขอบุญรัฐประธานขอชมเชยตั้งแต่ท่านประธานกรรมิการและอนุกรรมธิการผมมีเวลาอ่านมากนะครับสนใจเรื่องนี้มากเห็นความพยายามของท่านที่จะรายงานตรงไปตรงมาอยากจะให้พักการเมืองยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คืออยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย โดยแท้จริงก่อจะถึงวันนี้ครับตั้งแต่2475เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมารุ่มๆดอนๆก็คือพรรคการเมือง น, นี่แหละครับสมัยก่อนมันมีพรรคบนดินและพรรคใต้ดินก็ผมนี่สังกัดอยู่พรรคใต้ดินนะครับมาอยู่บนดินก็ถูกจับนั่นคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำการเป็นคอมมิวนิสต์นายแคล้วนอนบุตริสสอสอคนแก่นบ้านผมไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรกลับมาเครื่องบินลงที่ดอนเมืองนายแคล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์เลยครับจับไปอยู่ในคุกลาดยาวแปดปีนั่นคือใต้ดินบางส่วนเราอยู่ที่นี่ และบางส่วนก็ไปอยู่ที่วุฒิสภานั่นคือประธานวุฒิทุกวันนี้ก็สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันมีการฆ่ากันล้มตายเสียหายตายเสียจักต่อสู้สถานการณ์ต่างๆในทางการเมืองพักการเมืองในอดีตผมก็พอจำชื่อได้บ้างเช่นพักมนังขศิลาพักสหชีพพักก้าวหน้าพักสหประชาไทยพักขบวนการไฮปกัก สังคมยมแห่งประเทศไทยเยอะแยะนะครับลุ่มลุ่มดอนดอนบางสมัยสมัครสอสอไม่ต้องสังกัดพักนะครับอิสระขบวนการไฮปากนายทวีศักดิ์กรีผีได้คนเดียวขบวนการไฮปากสมัยก่อนไปนเรียนแบบไฮปากจากต่างประเทศก็ใช้กับชื่อนี้แหละมาตั้งชื่อพักขบวนการไฮปากที่สนามหลวงไม่ทราบว่า ท่านสะสะบางท่านเกิดทันไหมปลาใสสนามหลวงมันสนุกนะครับสนุกมากโอ้ไปต้องไปขนขนมาฟังอะไรมากมายเขามาของเขาเองแต่พักการเมืองที่เราน่าจะชื่นชมที่มีอายุไขนานที่สุดในในประเทศไทยก็คือพักประชาธิปัตย์เจ็ดสิบหกปีแล้วครับมีขึ้นมีเกิดแก่มีธรรมดามีขึ้นมีลงผมอยากให้พักการเมืองเนี่ย เป็นสถาบันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับสถัาพักไหนไปอยู่พักนั้นเลือกพักไหนมาเป็นผู้แทนที่นี่มีความเสมอกันไม่มีใครสูงใครต่ำกว่ากันท่านครับผมฟังท่านประธานกรรมี่การชุดนี้พูดราย ง, งานช่วงแรกๆ <c oughs> พักการเมือง เกิดง่ายถูกต้องครับแต่ต้องตายยากท่านพูดคล้ายๆจะกันความรู้สึกว่าวันที่เจ็ดสิงหาที่ท่านจะถึงเนี่ยผมฟังแล้วผมสะเทือนใจผมไม่อยากให้มีองค์กรใดๆมายุบพรรคการเมืองครับฟังด้วยคนที่จะยุบเขาเนี่ยหวังว่าท่านเก้าคนคงเปิดวิทยุฟังอยู่ ท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของอประญาชนไม่ได้ยึดโยงกับชาวบ้านผมนี่โดนมาก่อนท่านประธานครับท่านประธานกรรมธิการครับผมเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไท ย, ไทยถูกรัฐประหารคอมอชอผมไม่ได้รับคำฟ้องคำร้องเลยไม่ได้เยียบไม่ไปศาลที่ตุลาการแม้แต่หนึ่งวินาทีครับ ดุลาการรัฐธรรมนูญฉบสมัยนั้นไม่ได้ใส่คุยนะครับยุบพักไทยรักไทยท่านอาจารน์ตุ์ชายแสงแต่แต่ก่อนเราอยู่พระรามสามท่านชวนผมไปฟังผมบอกไม่เลยผมจะเป่าแคนอยู่ที่พระรามสามนี่แหละปรากฏว่ายุบพักไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการร้อยสิบเอ็ดคนครับผมก็ถูกตัดสิทธิ์ห้าปีนะครับทําอะไรไม่ได้เลย ในขณะที่จะมีอนาคตในทางการเมืองนะครับถูกแช่เย็นไปห้าปีพอจะลงผู้แทนคนอื่นเขาก็ลงแทนแล้วนี่กว่าจะเข้าสภาได้สิบเจ็ดปีครับท่านประธานผมเลยคิดว่าสภาพวันที่เจ็ดสิงหาผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นคนที่จะยุบพรรคการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนคือประชาชนเริ่มต้นประชาชนต้องยุบ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 พวกผมถูกยุบไทยรักไทยมาพลังป้ายนยุบอีกเพื่อไทยนีย่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็พยายามเลี่ยงๆอยู่ครับพอยุบทีมันก็เจ็บปวดมันกันนะเจ็บปวดพอฉันเลิกเสทีการยุบพักการเมืองโดยคำวินิจฉัยของใครบางคนไม่ได้มีโอกาสไปศาลเลยมินิทีเดียวคำให้การก็ไม่ลยยืน่นไม่ได้ถามว่าผมผิดผมอยู่ตรงไหนยุบซะแล้ว ขอโวยพรให้พุทธิเจดของท่านจงชนะนะครับด้วยความจริงใจส่วนใครจะได้รับเลือกตั้งในอนาคตเป็นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านทำดีท่านก็ได้รับเลือกมาท่านไม่ทำไม่ดีท่านก็ไม่ได้รับเลือกผมจึงอยากจะชื่นชมว่าท่านพยายามที่จะแก้ไขในสิ่งข้อบกพร่องถูกต้องครับ พรรคการเมืองต้องง่ายนะครับนี่บัตรผมเนี่ยบัตรไทยและไทยครับมันจะขาดแล้วครับก้องก้องก้องโคดก็่าอไรนะผมเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสิสี่จุดสาผมเนี่เก็บไว้ครับง่ายเลยครับมีสมาชิกสิบสี่ล้านคนไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยเดี๋ยวนี้นี่เพื่อไทยครับก็รอชีพสองพันครับแล้วไลายปีเท่าไหร่ไม่ทราบ ให้มันง่ายๆพักการเมืองไม่ใช่สวนราชการนะครับจะให้มีเจ้านายชื่อกอกอตเด๋ยนนี้กกตเปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชาของพักการเมืองจะให้เงินพักการเมืองทีเหมือนจะเป็นแบบขอทานครับตรวจแล้วตรวจอีกสมัครเป็นสมาชิกยิ่งกว่าจะสมัครเป็นตำรวจครับมันอะไรกันนักหนาที่สถาบันประชาชนสาบันของแม่ใหญ่สีพ่อใหญ่เจนทาครับ ไม่ใช่สภาสาบันของด็อกเตอร์ด็อแต่ทไหลาด็ตอร์เป็นสมัครผู้แทนสอบตกครับสู้นายธีรชัยเซ็แนแก้วไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นผมจึงให้กำลังใจอยากจะให้กรรมธิการสามัญทุกคณะครับเอาการเอางานแบบท่านนี่แหละผมอยู่กิจการสภาผมก็จะทําเอาการเอางานมีหลายเรื่องที่จะมาสู่สภาแห่งนี้กรรมธิการสามัญคือเราได้พูดละเอียดละอ่ ได้จับเข่าคุยกันไม่มีพักไหนนะครับอย่ามองว่ากรรมธิการชุดนี้อยู่ก้าวไกลไม่ใช่นะของผมก็ยังมีอนุศน์เอี่มสะอาดหลายคนทุกพักการเมืองนี่คือสิ่งผลผลิตของระบอบประชาธิปไตยผมอยากจะเปิดเพลงประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งผมเขียนเองคุณวัชนะเกิดดีใช้เพลงนี้ต่อสู้จนถูกฟ้องเป็นผู้ก่อกานร้ายครับประเทศนี้ สู้กันระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จ ก, การกับรัฐบาลหารเท่านั้นนะครับท่านประธานยังจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้จึงขออนุ ญ, ญาตพูดอยู่ในประเด็นและนอกประเด็นบ้างขอให้กำลังใจกับคณะกรมรมการชุดนี้ร่างพรบที่ท่านทำไว้โรดกรุณาบรรจุหาทางเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรให้เร็วที่สุดพักการเมืองยึดโยงกับประชาชนเมื่อไหรนั่นคือ ประชาธนทบไตจะพรีประชาชนจะถูกปิดกัน้นถ้าพรรคการเมืองมีระเบียบแบบแผนมากมายทําอะไรซ้ายขวาผิดหมดนั่นไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เราถูกควบคุมไม่ต่างกับนักโทษทางการเมืองแต่เรียกว่าพรรคการเมืองจึงขอให้กําลังใจนกครัท่านประธานครับถ้าท่านประธานสนใจเพลงที่ผมว่าได้ไปเปิดในยูทูบครับเพลงประชาธนทบ่ไตยประชาชนเรียบเรียงแต่ง ลัมล้องทํำนองโดยอดีิศรปิเกศครับขอบคุณครับผมผมก็ฟังอยู่บ่อยครับผมก็เจ็บใจไม่แพ้ท่านอดิสรนะครับไม่แพ้พรรคการเมืองต่างๆนี้ถูกยุบเมื่อปีสองพันร้อยห้าที่เขายึดอานาจเนะตรนั้นเนี่หนะครับเช่นเดียวกันพรรคพลังประชาชนครับผมเป็นกรรมการบริหารพรรคผมต้องถูกเว้นวักห้าปีต่อไปที่ท่านเขียนมาแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีถูกเว้นวักหรอก เสนอเนะเลยผมอ่านไม่หมดนะครับว่าไม่จําเป็นต้องถูกเป็นว่า5ปีคณะกรรมการบริหาร่ะถ้ามันยุบก็คนเล่นไม่ได้ล่างคนล่างไปได้เล่นยรือไงครับความเจ็บปวดที่มันจะยึดตรวงกับพี่น้องประชาชนได้ยังไงในเมื่อคณะกรรมการบริหารหรือเขาเลือกขึ้นมาไม่ได้เขาเรียกว่าพรรคการเมืองไม่ได้ตั้งมาเพื่อยุบนะครับพรรคการเมืองมันจะต้องตั้งง่ายขึ้น เหมือนตั้งสมาคมชาวไร่อ้อยผมนี่แหละครับไม่จาเป็นจะต้องมีถึงห้าร้อยคนหรือสองรอยห้าสิบคนหรอกครับเก้าคนก็ตั้งได้แต่ถ้าพรรคการเมืองนั้นมีผู้นำดีๆมีสมาชิกการสมาชิก ค, คนชื่นชอบก็ให้เขาเลือกไปที่ทำไมจะต้องตั้งยากๆทำไมจะต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม้แต่กระทั่งที่ท่านบอกว่าพายบรีโหวตพายบรีโหวตก็ไม่จาเป็นฮะไม่ต้องมีจาเป็น ถ้าจะจําเป็นก็คือให้เป็นเรื่องของพักการเมืองอย่างพักการเมืองใหญ่ๆคนลงสมัครเยอะแย่งกันลงก็ภายในรี้โหวตสิครับ่จะเลือกเอาใครภายในนี้โหวตเลยแต่ถ้าพักการเมืองพักได้ไปลอยหาคนลงไม่ได้ก็ให้คําตามสบายไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ที่ข้อบังคับพักท่านเสนอมาดีทั้งหมดนะครับท่านครับเหมือนท่านในสอนพูดะหัวหน้าเราคือกรกตนี่ยแหละครับนักการเมืองนลยกลัวกกต นะครับพ่อแม่ยังไปกลัวเท่ากับกรตเลยครับกลัวใ่จะทําความผิดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันก็ทํามาต่างๆและอีกส่วนหนึ่งผมก็ไม่เ อ, อ่ยอ้างนะครับเพราะผมเจอมาแล้วนะก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านเจอผมให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจอยู่สภาแห่งนี้ส่วนเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเรื่องของเราแต่กฎหมายที่ท่านได้ศึกษามาแล้วเราจะต้องเอาความเป็นจริงเกิดขึ้นได้เริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขรธรรมนูญ เริ่มต้นพอแก้ไขเรื่องนู่นแล้วหรือจะแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองหรือกรกต อ, อะไรก็แล้วแต่ที่ด้านศุกษามาแล้วต้องเอาให้มันเป็นจริงให้ได้นะครับเราต้องมาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในห้าร้อยคนของสภาแห่งนี้เอาให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้นะครับเราอย่าทะเลาะกันครับนะครับเราอย่าพิ่งลงถนนกันนะครับพอถ้าลงถนนเมื่อไหร่มันจะเรียกพวกนั้นมาอีกครับ เราอยู่ในสภาเนี่ยแหละเอาให้แหลกลาดในสภาเนี่ยแหละครับเราจะต้องล้างน้ำนดูในได้แก้ไขกฎหมายในสิ่งที่พี่น้องปอาาระชาชนยึดจองกับพี่น้องประชาชนให้ได้ครับผมขอสนับสนุนตามที่ท่านได้ศึกษามาขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมฟังท่านธีรชัยแล้วอยากลงไปอภิปรายบ้างเลยนะเนี่ยเครื่องติดมากๆเลยสุดยอด ถ้าการยุบพักการเมืองนั้นขัดแย้งต่อความรู้สึกต่อประชาชนหมู่มากก็จะทำให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในความสุจริตและเที่ยงธรรมของทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรที่มีอานาจในการยุบพักสำหรับประเทศไทยองค์กรเดียวที่มีอานาจวินิจฉัยที่ขาดนั่นคือศารรลรัฐธรรมนูญ และหลายต่อหลายครั้งในประวัติาสตการยุบพักการเมืองไทยเราก็มักจะได้ยินเสียงสะท้อนจากสังคมด้วยคําถามที่ว่าผู้มีอำนาจทางการเมืองไทยกําลังพยายามใช้กลไกการยุบพักการเมืองเป็นเครื่องมือกําจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมืองโดยอาศัยช่องทางที่กฎหมายไทยกําหนดเหตุแห่งการยุบพักการเมืองไว้อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งไม่มีกลไกทางวิธีพิจารณาที่เป็นหลักประกันไม่ให้การเกิดการยุบพักการเมืองได้โดยง่ายหรือไม่ อะไรคือความชอบธรรมในการยุคทิ้งเจตนารม์ของประชาชนที่ฝากไว้กับพักการเมืองท่านประธานคะ จากการสืบค้นข้อมูลดิฉันพบว่ารากฐานของการยุบพักการเมืองนั้นมาจากแนวคิดที่ว่าด้วย m i l ิเทนเดโมแครซี่แปลอย่างง่ายว่าแนวคิดประชาธิปไตยไม่ทนประชาธิปไตยไม่จําเป็นต้องอดทนอดกั้นต่อแนวคิดที่เป็นปฏิ ป, ปักษ์ต่อตัวมันเองค่ะพักการเมืองใด จ, จัดตั้งและแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องสมาบชานอุดมการณประชาธิปไตยด้วยการยุบพักการเมืองสามารถทําได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อปกป้องสิท ธ, ธิหรือเสรีภาพที่ใหญ่กว่าเช่น การใช้เสรีภาพทางการเมืองเพื่อทำลายระบบการเมืองทั้งหมดนั้นลงย่อมทำไม่ได้นั่นคือคุณไม่สามารถใช้เสรีภาพเพื่อทำลายตัวเสรีภาพได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องทดไว้ในใจเสมอก็คือการยุบพักการเมืองเป็นมาตรการอำนาจนิยมที่เป็นการละเมิดเสรีภาพการรวมกลุ่มทางการเมืองซึ่งเป็นเสรีภาพพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยวิธีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะและไม่เป็นที่นิยมไม่ถูกใช้ในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ในต่างประเทศค่ะตัวอย่างแนวคิดที่นำไปสู่การยุบพักได้แก่แนวคิดนาซีและคอมมิวนิสต์ในเยอรมนมีแนวคิดคอมมิวนิสต์ในกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตแนวคิดแต่งแยกดินแดนเคิร์สในตุรกีแนวคิดแต่งแยกดิ น, น i, แน ด, แบดนบาสในสเปนท่านประธานจะเห็นค่ะว่าอุดมการกันเมืองที่ถูกตีตราว่าเป็นอันตรายนั้นโดยหลักแล้วแนวคิดของพรรคการเมืองเป็นแบบที่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยปฏิเสธรูปแบบการปกครองปัจจุบันของรัฐ ที่สําคัญคือพักการเมืองเหล่านั้นที่ถูกยุบไปสมาชานอุดมการ์ดังกล่าวเป็นอุดมการของพักไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกคนใดคนหนึ่งของพักเท่านั้นและเมื่อกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะตลอด17ปีที่ผ่านมานับจากรัฐประหารปี2549เราได้เห็นพักการเมืองไทยถูกยุบกันจนเป็นเรื่องชินตานับเฉพาะพักการเมืองที่มีสมาชิกที่มีสภาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรอยู่ในสภานะคะก็นับรวมได้ถึง5พักด้วยกัน นำมาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก็ทำให้เกิดคำถามค่ะว่าการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยที่ถูกยุบไปนั้นร้ายแรงเทียบเท่ากับการพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐการแบ่งแยกดินแดนหรือการเผยแพร่นแนวคิดชาตินิยมนาซีแบบสุดโต่งหรือไม่ในเมื่อทั้ง พักไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติตลอดจนพักอนาคตใหม่ล้วนแสดงออกว่าต้องการลงแข่งขันในระบอบประชาธิปไตยและไม่ได้มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีอุดมการ์ล้มล้างการปกครองนี้ให้สิ้นรูปไปเหตุทห่งการยุบพักไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงการจ้างพักเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งการกู้เงินที่ถูกตีความว่าเป็นรายได้ต่อให้ผิดจริงๆแต่ไม่ใช่การกระทําและไม่ใช่อุดมการ์ของพักการเมืองค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถใช้การลงโทษบุคคลตามกระบวนการตามปกติได้ สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นได้ชัดว่ามาตรฐานการยุบ พ, พักการเมืองภายใต้กฎหมายไทยขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมที่เราต่างก็ยอมรับร่วมกันว่าเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐอย่างน้อยในสองประการด้วยกันคือหนึ่งความไม่ชัดเจนในถ้อยคำา 2. ความไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนระหว่างบทลงโทษกับความผิด เหตุแห่งการยุบพักการเมืองไทยส่วนมากเป็นเพลงเรื่องทางเทคนิคการผิดระเบียบทางธุรการหรือความผิดเฉพาะบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลค่ะที่มุ่งเน้นให้เหตุแห่งการยุบพักนั้นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของรัฐหรือกระทบกระเทือนต่อระบอบ ก, การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแค่ประธ า, านคะวงจรการเมืองไทยวนลูปไม่ไปไหนเลยนะคะมีฉากทัดแค่ไม่กี่ฉากที่สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคะ่ะสารตั้งต้นคล้ายๆกันคะ่ะ เมื่อมีพักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชนแต่บังเอิญไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มผู้มีอำนาจชะตากรรมอาจลงเอยด้วยการถูกใช้อำนาจนอกระบบไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารการใช้องค์กรอิสระแทรกแสงไปจนถึงการยุบพักการเมืองกล่าวโดยสรุปขระวงจร น, นี้คือการนำอานาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาใช้ทาลายอำนาจจากประชาชน และวงจรนี้ก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราก็อ้างมาตลอดค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศในระบบประชาธิปไตยท่านประธานคะไม่มีระบบประชาธิปไตยในประเทศไหนบนโลกแห่งนี้ค่ะที่เขาไล่ยุบพักการเมืองกันเป็นว่าเล่นแบบนี้แถมยังบิดเบือนหลักการของกฎหมายหลักการประชาธิปไตยหลักนิติรัฐและไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชน ดังนั้นนะคะดิฉันขอตั้งคําถามค่ะว่าพักการเมืองมันจะเข้มแข็งได้ยังไงคะถ้าพักการเมืองยังถูกยุบได้พร่าเพรื่อแบบนี้กลายเป็นความเคยชินค่ะเคยชินจนเชื่อว่าการยุบได้อย่างปกติปกติยังไงดิฉันขอยกตัวอย่างการนําเสนอข่าวของสื่อบนชนนะคะเมื่อมีคดีความเกี่ยวกับพักการเมืองที่รอคํำพิพากษาแนวทางการนําเสนอส่วนใหญ่ ค่อนข้างสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคการเมืองนั้นอาจจะโดนยุบดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดของสื่อมวลชนนะคะแต่เพราะบริบทการเมืองไทยที่เกิดขึ้นซ้ําๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นจนขนาดที่สื่อและสังคมสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าโดยไม่มีใครสนใจข้อกฎหมายอีกต่อไปค่ะเมื่อไหร่ที่มีการพิพากษาคาดีของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอํานาจ ทุกคนก็เชื่อไปก่อนแล้วค่ะว่าผลของมันจะออกมาเป็นโทษสำหรับพรรคการเมืองนั้นๆสุดท้ายแทนที่สื่อต่างๆสังคมจะวิเคราะห์ไปถึงข้อต่อสู้ทางกฎหมายก็กลายเป็นการวิเคราะห์คดีในฐานะยุทธศาสตร์ทางการเมืองของผู้มีอำนาจว่าจะชี้ไปในทิศทางไหนแทน รายงานฉบับนี้นะคะสรุปเอาไว้ค่ะว่าการยุบพักการเมืองควรจะเป็นเครื่องมือในการปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่ทำลายประชาธิปไตยเสียเองค่ะการยุบพักกลายเป็นเครื่องมือที่คนขี้ขลาดแต่อยากมีอำนาจใช้เพื่อเข้าสู่อำนาจโดยไม่ต้องแข่งขันอะไรเลยค่ะทางเดียวนะคะที่ดิฉันคิดว่าเราจะหยุดหลูกวงจรเหล่านั้นได้ คือรายงานฉบับนี้นี่แหละค่ะและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการทํานุบํารุงพักการเมืองให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งสามารถยึดโยงกับประชาชนได้จริงๆและยุติวงจรที่มักง่ายกับระบอบประชาธิปไตยลงได้ค่ะธรรมทานและพี่น้องประชาชนดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของพลปพภ ก, การเมืองมาตราข้อเก้าสิบนะครับเขาเขียนว่าสารแลธรรมนูญเนี่ยสามารถสั่งยุบ พ, พักการเมืองตามมาตราเก้าสิบสองได้ ทีนี้ผมจะอ่านไส้ในให้ฟัง น, นิดนึงท่านประธานไส้ในเนี่ยเขาเขียนว่าปักการที่หนึ่งการทําการล้มล้างการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกคอรองประเทศโ ด, โ, ดโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญท่านประธานฮะอ่านแบบนี้ก็เขา้เขาใจง่ายๆนั่นก็คือคนที่รัฐประหารแหละแต่เหมือนที่เราเห็นกันดีฮะรัฐประหารเป็นยังไงฮะ 8ปี9ปี10ปีวันนี้ยังได้ดีกันอยู่แทบทุกคนแต่กับกันพักการเมืองพยายามจะเสนอกฎหมายกลับมาบอกว่านี่คือการล้มล้างการปกครองผมฐานประธานที่หนึ่งฮะถ้าไม่ให้พวกผมทําการเสนอแก้ไขกฎหมายท่านประธานจะให้พวกผมไปทําอะไรให้ไปนั่งจับปลาหมอคางดําเหรอฮะมันก็ไม่ใช่ธ่ประทานวันนี้ก็ช่วยกันจับเยอะแล้วผมถึงกําลังบอกว่าวันนี้อีกไม่นานนี้ผมถึงฝากไปถึง ผู้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูนเราต้องการเพียงแค่ห้าเสียงถ้าท่านฟังอยู่ผมฝากแบบนี้เถอะครับว่าการที่ท่านจะตัดสินในวันที่เจ็ดนี้ท่านอาจจะยุบยานพหนะได้แต่ท่านไม่มีทางยุคอุดมการได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกผมพูดตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ามาสู่สภา และเป็นคำที่ภาพประชาชนมวลชนพูดกันต่อมาแล้ววันนี้ผมก็จะพูดในสถาว่ายิ่งเด็ดยังไงพวกเราก็จะยิ่งบานท้ายสุดรรท่านประธานครับผมอยากจะฝากแบบนี้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนพี่พี่บ้านที่ผมเคยอยู่บ้านที่ผมยังไงก็ยังรักเสมอสิ่งที่ผมถูกสั่งสอนมาครับ คือเรื่องของผู้คนและการเดินทางวันนี้ยานผ่านะบางอย่างอาจจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้แต่ผมอยากจะพูดแบบนี้ครับว่าทุกคนมีประชาชนอยู่ข้างหลังมีอุ ด, ดมการที่พวกเขาเชื่อมั่นมีแรงศรัทธาที่เขามอบให้กับทุกคนได้มาอยู่ในสภาหแห่งนี้ ผมเข้าใจครับผมเข้าใจอย่างสุขซึ้งว่าผู้ที่ก่อตั้งพรรคมาก็พยายามสร้างพรรคนี้เพื่อไปสู่ประเทศในฝันและทุกคนเชื่อมั่นเสมอและผมทราบดีว่าบางครั้งมันก็ใจหายว่าอีกนิดเดียวมันก็อาจจะถึงฝั่งฝันแล้วผมขอฝากเสียงของผมไปถึงครับ ว่าเจดจำนงเหล่านั้นมันจะคงเดินหน้าต่อและผมประวัติชียยัมพวาอีกหนึ่งคนก็ยังจะเดินหน้าต่อในเส้นทางนี้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่พี่ๆมอบกับให้ผมตรงนี้เพราะฉะนั้นได้ปลดอย่าเพิ่งหมดหวังและหมดฝันเพราะกลุ่มอำนาจพวกนั้นจะเกรงกลัวครับแต่จะชอบมากเมื่อไหร่ที่เราก้มหัวและยอมรับ เขาจะถลเเยยิ้มด้วยความมืดแต่สิ่งที่เขาจะกลัวที่สุดคือมนุษย์ที่ไม่ว่าจะกดกี่ครั้งก็ตามแต่ยังเงยหน้าขึ้นมาเสมอเงยหน้าเพื่อท้าทายอำนาจที่พวกเขาพยายามจะสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นแบบนั้นและจะไม่หมดหวังที่จะสร้างประเทศในฝันต่อไปขอให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาเพือประชาชน ที่กำลังเดินไปกับพวกเราขอบคุณมากครับผมเป็นกําลังใจให้ครับผมจึงมีหลายๆอย่างที่อยากจะนําเสนอว่าถ้าสังคมวันนี้เต็มไปด้วยความคิดเชิงลบนะครับไม่ได้เลยครับการเมืองวันนี้เราเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้สังคมวันนี้คิดบวกกับพรรคการเมืองต่างๆวันนี้ท่านอดิศรต้องขออนุญาตนะครับฝากกรอนด้วยด้วยนะครับพรรคการเมืองคือเรื่องของประชาชนครับองค์กรอื่นอย่าสับปะดนทําตนมีอํานาจ ถึงคราววันนี้ประชาชนจะประกาศเอกราชประชาธิปไตยเพื่อประชาชนครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอ่านก่อนนะครับมาอยู่มาสมัยสองแล้วธ่รมดานครับเรามาช่วยกันสร้างความถูกต้องสร้างวิธีคิดเชิงบวกให้สังคมให้ภาคประชาชนได้ตื่นตัวนะครับถึงภาคการเมืองของเรา<บ>ผมจึงอยากเสนอแนะนะครับวันนี้ผมคิดว่าการอภิปรายของเราถึงหูกรอตถึงหูหน่วยงานหลายหน่วยงาน แต่ประเด็นคือท่านจะหน้าด้านฟังหรือเปล่าหรือเอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าผมฝากไปถึงข้าราชาการมืออาชีพครับที่อยู่ในแต่ละองค์กรว่าท่านโปรดแสดงความเป็นมืออาชีพของท่านนะครับยืนหยัดเป็นนักประชาธิปไตยทบทวนว่าเวลาท่านนักศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีหนึ่งเนี่ยเขาปลูกฝังอะไรในหัวท่านทบทวนว่าเวลาท่านเข้าไปในเรียนชั้นประถมชั้นมันธยมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอย่างไรท่านฝึกทบทวนด้วยนะครับวันนี้ผมจึงต้องมา อภิปรายรายงานของท่านซึ่งผมขอไม่รับรายงานฉบับนี้ไม่ได้ครับต้องรับครับท่านประธานขอบคุณครับถ้าผมไม่ได้ลุกขึ้นพูดผมก็คงเสียดายเรื่องของพรรคการเมืองที่ถูกยุบเนี่ยถ้าใครไม่เจอกับตัวเดียวก็คงไม่รู้สึกอะไร ผมเจอกับตัวเองเมื่อ30พฤษภาคม2550เป็นครั้งแรกท่านที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยตอนน้นรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทย แ, แล้วพวกเราเรียกว่าเป็นกลุ่มในตำนานเลยคือกลุ่ม111ถูกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปคนละ5ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้หรือลองไปศึกษาย้อนหลังเนี่ย กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยคือถ้าพรรคการเมืองถูกยุบเนี่ยกรรมการบริหารพักจะไม่สามารถไปตั้งพักใหม่หรือว่าไปเป็นกรรมการบริหารพักใหม่ห้าปีเท่านั้นเองแต่พอทหารยึดอำนาจขึ้นมาเนี่ยเขาก็ออกประกาศคณะปฏิวัติประกาศทหารได้เนี่ยบอกว่าถ้ามีการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยให้ผู้บริหารพักคณะกรรมการบริหารพักเนี่ย ต้องถูกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีด้วยคือมาออกเพิ่มเติมในภายหลังเสร็จแล้ววันที่เขาตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยเนี่ยก็มีการต่อสู้ในประเด็นนี้ว่ากฎหมายเนี่ยสามารถย้อนหลังได้หรือไม่ซึ่งตราการรัฐมนูญในในนั้นเนี่ยก็ใช้ไม่เรียกว่าไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าเอาข้างเข้าถูหรืออะไรมันมันจะหยาบคาหรือเปล่ปาท่านก็บอกว่าไอการถอนสิทธิ์5ปีเนี่ย มันไม่ใช่การลงโทษเพราะฉะนั้นเป็นเพียงการจำกัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถย้อนหลังกับเหตุที่เกิดขึ้นก่อนได้ก็คือการที่เขาบอกว่าพรรคไทยรักไทยกระทำผิดพวกเราก็เลยถูกถอนสิทธิ์ไปห้าปีพอมาเจ็ดมีนาสองพันห้า้อยสิบสองอีกรอบครับผมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักษาชาติ ยุพรรคนะฮะคงมีไม่กี่ท่านในสภานี้หรือในประเทศนี้ที่โดนสองครั้งซ้อนๆ น, นะฮะแต่ถ้าโดนสามครั้งซ้อนเป็นทัทนคิกดีก็ก็คงต้องมีเรื่องอะไรกันละพักการเมืองมีความสำคัญอย่างมากในการปกครองระบบประชาธิปไตยพูดง่ายๆแบบให้ประชาชนทั่วไป เข้าใจก็คือว่าในการใ น, ในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งก็จะไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ให้ต่างคนต่างสมัครแล้วก็เป็นผู้แทนอิสระกันไปหมดใครคิดใครคิดอะไรก็ว่าไปไปเจอกันตอนลงมติแล้วก็ตัดสินแต่ละเรื่องไปแต่เขาจะให้ มีการตั้งพักการเมืองขึ้นมาเพื่อรวบรวมคนที่มีอุดมการในทางเดียวกันทํานองเดียวกันมาอยู่ด้วยกันสังเคราะห์เป็นนโยบายในแต่ละช่วงแต่ละตอนของประเทศนำเสนอต่อประชาชนและผู้ที่อยู่ในพักการเมืองนั้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ประกาศไว้กับประชาชนพักการเมืองจึงเป็นเครื่องมือของประชาชน ในการที่ไปรวบรวมเอาความคิดเห็นความต้องการของประชาชนมาทำให้เป็นนโยบายและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารประเทศกำหนดความเป็นไปของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและนี่คือประโยชน์หน้าที่ของพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยรายงานฉบับนี้ ได้เสนอเรื่องต่างๆแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองในระยะหลังจนมาถึงปัจจุบันนี้อย่างตรงจุดมากแก้ปัญหาสำคัญๆตั้งแต่เรื่องการตั้งพรรคการดำรงอยู่ของพรรคซึ่งก็มีปัญหาทั้งนั้นการหาทุน การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและการสนับสนุนจากประชาชนหรือภาคเอกชนไปจนถึงเรื่องของการยุบพักการเมืองในส่วนของเรื่องการยุบพักการเมืองนั้นผมมีประสบการณ์โดยตรงแต่จะขอพูดถึงเป็นประเด็นสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่อง สำคัญสำคัญบางเรื่องที่รายงานนี้เสนอเพื่อให้เห็นว่าตรงจุดตรงประเด็นอย่างไรความจริงในสมัยก่อนนะครับพรรคการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ผู้มีอํานาจในระบบเผด็จการไม่ต้องการให้มีไม่ต้องการให้มีบทบาทอะไรหรือไม่ต้องการให้มีเลยด้วยซ้ํา ยึดอำนาจในสมัยก่อนเขายุบพรรคการเมืองให้หายไปเลยนะครับต่อมาเวลาจะมาตั้งพรรคการเมืองกันใหม่ต้องมาฟื้นพรรคการเมืองกันเพราะไม่มีพรรคการเมืองในช่วงหลังๆจากรัฐประหารสักปี2534เป็นต้นมาเวลารัฐประหารแล้วเขาไม่ได้ยุคทิ้งแต่เขาใช้วิธีระงับยุติ บ, บทบาท ไม่ให้ทำอะไรอยู่นานจนกว่าจะมีการเลือกตั้งถึงเวลาเลือกตั้งที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามันขัดสายตาชาวโลกมากเกินไปแต่ก็ไม่ให้มีให้ไม่ให้พรรคการเมืองมีบทบาทอะไรมาในตอนหลังนี่ครับตอนที่รัฐประหารปีห้าเจ็ดได้เกิดระบบ กฎหมายที่มุ่งทำให้พักการเมืองอ่อนแอในทุกด้านที่เสนออยู่นี้เรื่องการจัดตั้งพักการเมืองเราก็จะพบว่าการจัดตั้งพักการเมืองในปัจจุบันหรือตามระบบกฎหมายพักการเมืองปัจจุบันตั้งได้ยากตั้งได้ยากได้เย็นต้องมีสาขามีผู้มาประชุมเท่าไหร่อย่างไร ที่สำคัญทำให้พรรคการเมืองมีขนาดเล็กรายงานนี้บอกว่าต้องการให้พรรคการเมือง ย, ยึดยึดโยงกับประชาชนระบบกฎหมายหลังการรัฐประหารปี57ต้องการให้พรรคการเมืองไม่ยึดโยงกับประชาชนก็คือเป็นสมาชิกก็เป็นยากต้องมีการบริจาคขาดการบริจาค ก, ก็ขาดการเป็นสมาชิก ขาดการเป็นสมาชิกพักไม่รายงานไปก็อาจจะถูกข้อหาว่าไม่ให้ข้อเท็จจริงแ ก, ะ ก, ะกะ่กรกตยุบพักไปอีกประชาชนสมัครยากก็เลยไม่สมัครเมื่อก่อนมีกันสิบกว่าล้านครับพักไทยรักไทยนียมีสิบกว่าล้านสิบกว่าเยอะด้วยซ้ําเกือบจะยี่สิบล้านคนตอนหลังพักการเมืองมีสมาชิกกันพักละไม่กี่หมื่นคนไม่กี่พันคนตามตามกฎหมายเกินกว่านิดหน่อย ประชาชนก็ไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกพรรคพักการเมืองก็ไม่อยากมีสมาชิกมากๆเพราะจะเป็นภาระทางกฎหมายกลายเป็นพักการเมืองไม่สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนได้ดํารงอยู่ก็ยากผมขออนุญาตท่านประธานเพราะว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยเมื่อสักครู่พูดไปก็ใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะครับแล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล ก็พูดกันน้อยขอขยายเวลาอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าถ้าพูดแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปการดํารงอยู่ของพรรคการเมืองยากการหาทุนการหาการสนับสนุนจากรัฐบาลทําไปทํามาการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อพรรคการเมืองสนับสนุนเล็กน้อยมากครับทั้งทั้งที่เราพูดกันมานานแล้วเป็นสิบสิบปีว่า ถ้าจะให้พรรคการเมืองเกิดได้อยู่ได้ทั้งทางที่ไม่มีทุนมากๆรัฐต้องสนับสนุนแต่ทำไามาสนับสนุนน้อยมากแถมการบริจาคช่วยเหลือพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองจากประชาชนหรือภาคเอกชนก็ทำได้ยากจนกระทั่งกลายเป็นว่าใครจะสนับสนุนพรรคการเมืองก็ต้องไปแอบสนับสนุนใต้โต๊ะอย่างที่ทำกันอยู่ในในบางพักบางกรณี แต่คนที่จะสนับสนุนเปิดเผยทําได้จํากัดมากอันนี้คือไม่ต้องการให้พรรคการเมืองได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจากภาคเอกชนอย่างเปิดเผยซึ่งจะดีกว่ามากถ้าหากว่าให้มีการสนับสนุนอย่างเปิดเผยและรู้กันไปว่าใครสนับสนุนพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเพราะไปรับการสนับสนุนจากใครประชาชนก็จะได้ตัดสินได้ถูกแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้น สุดท้ายครับท่านประธานประเด็นสุดท้าย่ขอใช้เวลาอีกหน่อยหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของการยุบพักที่ผมจะพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าจะเกิดมีการยุบพักการเมืองในอนาคตอันใกล้ในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกันแต่รายงานนี้ผมเคารพในความเห็นของรายงานฉบับนี้ซึ่งพูดถึงพักการยุบพักการเมืองไว้ การยุบพักการเมืองในอดีตนั้นยุบทิ้งไปเลยเพราะเขาเห็นว่าพักการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยของระบอบเผด็จการหานในตอนหลังไม่ยุบแต่ไม่ให้ทํางานมาปีสองพร้อยสิบเก้าครับท่านประธานการยุบพักการเมืองคือยุบพักไทยรักไทยสาเหตุแท้จริงคืออะไรสาเหตุแท้จริงคือเห็นว่าพักไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการนํา ความเห็นของประชาชนความต้องการของประชาชนมาสังเคราะห์เป็นนโยบายและไปหาเสียงและไปประกาศและไปปฏิบัตินําไปสู่การปฏิบัติจริงโดยรัฐบาลจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างกว้างขวางพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งครั้งที่สองของพรรคได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร377คนและนํานโยบายที่ประกาศต่อประชาชนไว้กําลัง แก้ปัญหาประเทศชาติไปตามความต้องการของประชาชนและนี่คือสิ่งที่ผู้นิยมเผด็จการผู้ไม่ไม่นิยมไม่เชื่อถือประชาชนเขายอมไม่ได้เขาจึงจึงต้องยุบพักในการยุบพักไม่ได้ใช้หลักฐานอะไรที่ชัดเจนครับระยงระยางกันไปจากเรื่องนี้คนไปพบกันที่นั่นที่นี่แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักต้องรู้กรรมการบริหารพักต้องรู้แล้วก็ยุบพักไปบอกว่าไปจ้างพักเล็กลงสมัคร สุดท้ายท่านประธานครับมีการดําเนินคดีผู้ที่ไปจ้างพักการเมืองอื่นลงสมัครจนในที่สุดไม่มีใครทําผิดทางอาญาเลยสักคนเดียวครับแต่พักการเมืองถูกยุบไปแล้วถูกเพิกถอนสิทธิ์โดยการใช้กฎหมายย้อนหลังคําสั่งคณะรัฐประหารนี่แหละออกมาแล้วสามารถใช้ย้อนหลังกับนักการเมืองในขณะนั้นก็หมายความว่า มันยังไม่เป็นระบบกฎหมายที่ชัดเจนแต่ใช้กันแบบที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมพักไทยรักไทยถูกยุบโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลด้วยไม่ใช่ศาลนะครับที่ยุบไปแล้วหลังจากนั้นมาเราจะเห็นว่าที่ทเสนอในรายงานเนี่ยตรงประเด็นหลายเรื่องความไม่ได้สัดส่วนพักพลังประชาชนพักชาติไทยนะครับผมยกตัวอย่างถูกยุบเนื่องจากอะไร กฎหมายต่อมาบอกว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคละเลยหรือไปดําเนินการในทางที่ให้ได้อํานาจโดยไม่สุจริตโดยไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นอันต้องหยุดพักปรากฏว่ากรรมการบริหารพรรคของสองพรรคนี้ถูกดําเนินกะดําเนินคดีโดยกรกตว่าไปซื้อเสียงด้วยเงินสองหมื่นบาททั้งสองพรรคเนี่ยเงินประมาณเท่ากันเลยพรรคพลังประชาชนกับพรรค ชาติไทยปรากฏว่าคนคนเดียวบอกว่าไปซื้อเสียงซื้อเสียงสองหมื่นบาทนําไปสู่การยุบพักยุบพักแล้วมีผลต่อการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่านายกรัฐมนตรีในขณะที่ยุบเป็นกรรมการบริหารพักอยู่ด้วยล้มรัฐบาลทั้งรัฐบาลส่วนพรรคชาติไทยก็พอรัฐมนตรีหลายคนก็ต้องพ้นไปแต่สุดท้าย ท่านประธานครับในกรณีของพรรคชาติไทยที่ว่าซื้อเสียงสองมืนบาทมีการดำเนินคดีอาญาสุดท้ายอายการผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากที่ว่าไปจ่ายเงินนั้นเขาเป็นการไปชาระหนี้ให้กับแม่ค้าไม่มีความผิดทางอาญาก็คือไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ยุบไปแล้วยุบไปเพราะว่าพรรคชาติไทยมีความผิดที่ไปร่วมมือกับพรรคพลังประชาชนตั้งรัฐบาล ความไม่เป็นสัดส่วนความไม่เป็นเหตุเป็นผลคือไม่ผิดท้งอาญาเลยแต่ยุบยุบแล้วเพิกถอนสิทธิ์ทั้งๆ ท, ท, ที่คนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องด้วยเลยไม่มีโอกาสไปชี้แจงกับคณะที่ตัดสินยุบพักในเวลาต่อมาคือสารรัฐธรรมนูญอันนี้จะเห็นว่าการยุบพักที่ทำทำกันมา มันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้กฎหมายโดยคณะบุคคลจะเป็นตุลาการรัฐมนูญที่ไม่ใช่ศาลหรือจะศาล ร, รัฐมนูลที่บางครั้งก็เกิดจากการแต่งตั้งกันมาโดยการแทรกแซงของคณะรัฐประหารมายุบพักการเมืองเพราะดาเนินการทางการเมืองไม่เป็นไปตามความต้องการความยินยอม ของผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อมโยงกับการเลือกตัง้งการยุบพักการเมืองที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจึงเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นการขัดแย้งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการทาลายเครื่องมือที่สำคัญของประชาชนในการที่จะกำหนดนโยบายและความเป็นไปของประเทศและในยุคปัจจุบันคือพักการเมืองคือเครื่องมือของประชาชน ที่จะทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นดังนั้นการที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะครอบคลุมทั้งการก่อตั้งการดํารงอยู่การทํากิจกรรมการหาทุนหารายได้การรับการสนับสนุนจากภาครัฐและจากประชาชน ไปจนถึงการสิ้นสุดของพรรคการเมืองการไม่ควรให้ยุคพรรคการเมืองง่ายๆที่ไม่มีใค ร, ใครเขาทํากันในโลกนอกจากประเทศที่เป็นเผด็จการสุดๆซึ่งมีอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้จึงเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไทยจะทําให้ระบบแก้ไขให้ระบบกฎหมายของประเทศไทย เป็นระบบกฎหมายที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ขัดขวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งเป็นเครื่องมือของประชาชนได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่อ่อนแอทำอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นท่รรานประธานครับผมขอสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาการ ฉบับนี้นะครับแล้วหวังว่าในอนาคตเราจะได้ร่วมกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพักการเมืองทั้งหลายจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับพักการเมืองให้ถูกต้องให้เป็นประชาธิปไตยและให้พวกเราทั้งหลายทั้งพักการเมืองและนักการเมืองสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนในการแก้ปัญหาประเทศในการพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยให้เป็นอารยประเทศกัแบบเขาบ้าง ขอบุณครับก่อนอื่นก็ต้องสารภาพก่อนนะครับว่าเดิมผมไม่ได้ตั้งใจจะอภิปรายนะครับด้วยความสมัดระวังเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าวันที่7สิงหาคมนี้พักของพวกผมกำลังจะถูกตัดสินชะตากรรมนะครับที่เดิมไม่ตั้งใจจะอภิปรายเพราะว่า ไม่ต้องการให้เข้าใจเจตนาของคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและก็อนุกรรมิการที่ทำรายงานศึกษาอันนี้ผิดนะครับแต่ก็หลายท่านก็ได้อภิปรายอยู่แล้วนะครับว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อสาหรับพวกผมแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อชะตาชีวิตของพวกผมแต่อย่างใด นะครับเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคและเป็นผลประโยชน์ต่อประชาธิปไตยของไทยนะครับดังนั้นก็จะขอพูดสักแค่สองสามประเด็นสั้นๆแล้วก็คงไม่ลงรายละเอียดแล้วเนื่องจากเพื่อนสมาชิกเนี่ยหลายท่านได้อภิปรายในรายละเอียดหลายอย่างพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในรายงานนี้ก็ผมคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับแต่อยากจะพูด ถึงประเด็นสำคัญในแง่กรอบความคิดที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของรายงานฉบับนี้เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายพักการเมืองในอนาคตประเด็นแรกเลยนะครับผมคิดว่ากฎหมายพักการเมืองที่ใช้ปัจจุบันรวมถึงรัฐธรรมนูญที่ให้กำเนิดมันเนี่ยมีปัญหาถ้าเราไม่ดูรายละเอียดผมคิดว่า ปัญหาใหญ่ก็คือว่าแม้ดูเหมือนว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาบังคับใช้กับพักการเมืองมีเจตนารมท์ที่ดูดีนะครับแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันออกแบบมาด้วยฐานคิดที่มีปัญหากฎหมายพักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยพยายามออกแบบมาด้วยเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่ดูดีคือ บอกว่าพยายามที่จะออกกฎเกณฑ์เข้ามากํากับควบคุมการทางานของพักการเมืองเพื่อให้พักการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนจริงๆไม่อยากให้พักการเมืองเป็นแค่ที่รวมตัวการกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ของนายทุนที่จะเข้ามาใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองต่างๆนานานะครับ แต่ปัญหาก็คือว่าสุดท้ายมันไม่สามารถบรรลุเจตนารมหรือเป้าหมายที่ดูดีตรงนั้นได้เพราะมันถูกออกแบบมาด้วยฐานคิดที่สุดท้ายต่อต้านประชาธิปไตยโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับก็คือถ้าเราดูรายละเอียดทั้งหมดมันเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ออกแบบมาด้วยความคิดที่ ไม่ไว้วางใจนักการเมืองหรืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นก็พยายามจะบอกทั้งหมดว่าถ้าจะตั้งพรรคการเมืองต้องทำยังไงจะรับสมัครสมาชิกต้องทำยังไงจะรับบริจาคต้องทำยังไงจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรคไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสมาชิกพรรคหรือวิธีการเลือกคนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนต้องทํำยังไงให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์ที่คนออกแบบคิดว่านี่คือพักการเมืองที่ดีของประชาชนแต่สุดท้ายก็พูดง่ายว่ามองคนที่มาจากการเลือกตั้งมองพักการเมืองในระบบเลือกตั้งเป็นต้นเหตุเป็นความเลวร้ายของการเมืองไทยนะครับมันเลย ผลสุดท้ายมันก็กลับตาลปัดไปหมดเจตนารมณ์ที่อยากเห็นพักการเมืองของประชาชนจริงๆมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่เป็นพักการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์หรือนายทุนต่างๆสุดท้ายก็ทำให้พักการเมืองที่ประชาชนตั้งใจจะสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการนะครับมันเกิดได้ยากมากเกิดได้ยากมากนะครับดังนั้น สุดท้ายผมก็สนับสนุนโดยหลักการใหญ่เลยก็คือว่าพักการเมืองควรจะเกิดง่ายดำรงอยู่ง่ายแล้วก็ยุบยากหรือควรจะยุบโดยประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาของพรบพักการเมืองมันยังสะท้อนปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกที่เรากาลังดำรงอยู่นะครับผมคิดว่า รายงานฉบับนี้ไม่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนําไปสู่การแก้ไขกฎหมายพักการเมืองเท่านั้นแต่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การออกแบบนะครับสถาบันทางการเมืองกฎกติกาทางการเมืองของพวกเราทั้งหมดซึ่งมีปัญหามาจากฐานคิดเดียวกันที่พยายามทําให้สังคมไทยเชื่อ นะครับโดยไม่รู้ตัวว่าปัญหาของการเมืองไทยเกิดจากทักษการเมืองนักการเมืองหรืออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งแต่พยายามจะปิดเลนซ์ซ่อนเลนซ์อำนาจที่ช่อบชนยิ่งกว่าและไม่เคยถูกตรวจสอบและไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งผมเคยย้ำหลายครั้งว่า ปัญหาของการเมืองไทยนั้นคือในสถานการณ์ปัจจุบันคือเรากําลังต่อสู้กับความพยายามที่จะสถาปนาระบอบการเมืองที่ทําให้อํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออํานาจที่มาจากการเลือกตั้งผมที่ว่านี่เป็นปัญหาใจกลางสําคัญของพรบการเมืองและรัฐธรรมนูญรวมถึงความคิดที่พยายามปลูกฝัง แนวคิดแบบต่อต้านประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยแบบไม่รู้ตัวด้วยความพยายามโยนความผิดโยนความเลวร้ายให้กับพักการเมืองและนักการเมืองสุดท้ายแล้วครับรรท่านประธานนะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องการประเด็นการยุบพักสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าสมาชิกหลายท่านให้ความสําคัญนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแต่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสาร นะครับผ่านท่านป ร, ระธานไปยังสมาชิกผมคิดว่าพัฒนาการของปัญหาเรื่องการยุบพักการเมืองของเรามันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่การทําลายนะครับสถาบัานทางการเมืองของประชาชนเท่านั้นแต่เราเริ่มเห็นอาการที่การยุบพักการเมือง มันกําลังเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามสถาปนาระบอบอํานาจยมหรือรเผด็จ ก, การแบบไทยๆที่พยายามวางหลักกฎหมายวางระบบกฎหมายที่เราอาจจะเรียกว่านิติลัตแบบไทยๆเอาไว้แล้วแปลกแยกนะครับทําให้แปลกแยกออกห่างจากหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากขึ้นทุกวันนี่ เป็นความอันตรายที่หลายท่านอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่ลองไปสังเกตลองไปอ่านคำม่นิฉัยสารรัฐนูลหลายฉบับที่ผ่านมาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงกว่าที่เราจะมาคิดกันแค่ว่าเราจะแก้ไขกฎหมายพักการเมืองอย่างไรนะครับเพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้น รวมถึงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งรวมถึงสถาบันนิติบัญญัติของพวกเรานั้นนะครับเป็นประชาธิปไตยจริงๆเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา ก, ากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนและมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่มีอยู่ในตัวอักษรเท่านั้นไม่ใช่อยู่ในตัวอักษรแต่ถูกตีความและบังคับใช้ โดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับขอขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ยูท e บมติชนทีวีด้วยนะครับ